จะต้องสําคัญมากทีเดียวนะครับมิฉะนั้นจะไม่ปรากฏในกุลธเรยสูตรที่กล่าวไว้อย่างนั้นนะครับเพราะว่าท่านกล่าวไว้บอกว่าเพราะอินทรีย์สังวรนะครับจึงเป็นปัจจัยให้เกิดสุดจริตสามเพราะฉะนั้นอินทรีย์สังวรเนี่ยนั่นหมายความว่าศีลสัมปทานะครับแล้วก็สมาธินะครับ ได้กล่าวแล้วนะฮะเพราะอินทรีย์สังวรที่บริบูรณ์เนี่ยนะจอมทําให้เกิดสุจริตสามนั่นหมายความว่าท่านได้รวมคําว่าศีลและสมาธิไว้แล้วถ้าสังถ้าสังวรไม่เป็นนะครับกายทุจริตวจีทุจริตแน่นอนนะแล้วก็มโนสุจริตก็ไม่ต้องพูดถึงเมื่อสังวรเป็นนั่นแหละนะครับจึงจะทําให้ มีสุจริตสามได้และถ้าสุจริตสามไม่มีก็อย่าหวังเลยที่จะเดิญเจริญสติปัฏฐานเนี่ยผมเชื่อมากๆเลยนะฮะเพราะว่าผมเชื่อว่าทั้งสองอย่างทั้งศีลและสมาธินี้เป็นอุปาทารนังนะครับคือเป็นฐานรองรับของกุศลชั้นสูงผมเชื่อมากๆเลยถ้าตับใดที่จิตยังไม่มีคุณภาพพอนะครับจะไปเจริญหรือว่าทํางานชั้นสูงทํางานชั้นปรานีตโอ้ไม่เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วครับเนี่ย เพราะฉะนั้นสุจริตสามเนี่ยย่อมหมายถึงว่ากายะสุจริตวจีสุจริตและมะโนสุจริตนะเมื่อเป็นอย่างนี้เราจะเห็นว่าในขั้นศีลธรรมดาศีลห้าศีลแปดที่รักษาการธรรมดา น, น, นั้นเนี่ยไม่เพียงพอครับไม่เพียงพอเพราะว่าขณะที่รักษาศีลห้าศีลแปดนั้นเนี่ยถึงแม้จะไม่ล่วงออกไปเป็นกายะสุขกายะทุจริตวจีทุทจริตก็จริงแต่ว่า แต่ว่าใจานั้นเนี่ยก็ยังเป็นอกุศลอยู่โดยเฉพาะอากุศลที่แรงๆเนี่ยนะครับแล้วไม่ล่วงออกเป็นทุจริตทางกายทางวาจาเนี่ยก็ถือว่าไม่มีศีลอยู่แล้วไม่มีศีนศีนไม่ขาดครับแต่ว่าไม่มีศีนตรงนี้น่าคิด น, นะครับศีนศีนไม่ขาดครับแต่ว่าไม่มีศีนเพราะว่าพูดถึงขึ้นชื่อว่าศีนแล้วเนี่ยก็ต้องต้องเกิดร่วมกับกุศลและจิต ถ้าหาว่าขนานั้นเป็นกําลังเป็นโลภากระังเป็นโทสานี่นะครับถึงยังไม่ล่วงมาทางกายทางวาจาขนาดนั้นศีลไม่มีแล้งไม่เหลือเพราะฉะนั้นศีลในระดับสูงที่สูงกว่าเจตนาศีลวาลิตศีลจริตศีลซึ่งรวมเรียกแล้วว่าเป็นเจตนาศีล น, นั้นถ้าหาว่าเจตนาศีลเพียงเท่านั้นน่ยไม่พอจึงต้องขึ้นมาสูงในระดับที่เรียกว่าเจตสิกศีลคือนอกจากจะวิรัต์ไม่พูดทุจริตทางทางวาจาไม่ ประพฤติผิดทางกายด้วยแล้วเนี่ยยังจะต้องมีสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะด้วยซึ่งก็นับว่ายากขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งแล้วโดยเฉพาะผมสังเกตดูนะตัวเราเองไม่พูดทุจริตนะแต่ว่าไม่ค่อยพูดสุดไม่ค่อยพูดสัมมาวาจาอะไรเท่าที่ควรไม่พูดทุจริตจริงไม่ไม่ไม่กล่าวเท็จมานานละจนจำไม่ได้แล้วเมื่อไหร่นะพ่ังเกยียจกล่าวเท็จแล้วพูดจําได้เลยว่าแทบจะร้อยเปอร์เซ็นรักษาศีลข้อนี้ไว้ได้ หรือว่าข้อปาณานี่ก็เหมือนกันครับรักษามันนานมากเลยครับรักษาเรื่องสุรายังไม่มีปัญหาเลยเลยห้าข้อนี่เหมือนเหมือนกับว่ามันเข้าไปอยู่ในสายเลือนแล้วเพราะฉะนั้นจึงเห็นว่าเ อ, อแม้เราเรามีศีห้านี่แล้วก็ยังมีสีแปดในช่วงวันพระในช่วงมันถือโบสดนี่ก็ก็ก็ออยังไม่พอฮนะเพราะว่าใจมันยังไม่มีคุณภาพพอนะฮะก็นี่ก็เลย สนใจว่าควรจะศึกษาขึ้นมาในเรื่องเจตสิกศีเนี่ยซึ่งประกอบไปด้วยสัมมาวาจาสัมมาอาชิสัมมากัมมันตสัมมาอาชีวะโดยเฉพาะสามตัวหลังศีลซึ่งอยู่ในเจตสิกศีนได้แก่อานาพิชชาอภยยาบานเนี่ยนะครับและสัมมาทิฏฐิเนี่ยสามตัวหลังเนี่ยไม่ใช่รักษาศีลได้ง่ายเลยนะไม่ไม่ง่ายเลยนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วก็เป็นเรื่องของการจเป็นจิตตะศิขาเข้าไปนะฮะเป็นจิตตะศิขาเข้าไปใน ในส่วนเบื้องต้นนะฮะคือเป็นเรื่องของการเจริญอนุสตินะฮะอนาพิชาก็ได้แก่การเจริญปฏิกูละเนี่ยหรือเจริญอสุภาษทั้งหลายเนี่ยเพื่อที่ไม่ให้เข้าไปติดข้องในอาหารก็ไม่เข้าไปติดข้องในสุภาษณิมิตทั้งหลายเนี่ยนะครับถ้าเราไม่มีถ้าเราไม่เจริญไม่เลยนะครับเราเห็นอาหารเขาก็อาหารก็พาไปทุจริตถ้าเราเห็นอะไรเนสุภาษณิมิตอะไร ง, งามๆทั้งหลายนะัมันก็พาเราไปะ เพราะฉะนั้นขณะที่พาไปศีลไม่มีอยู่แล้วศีลไม่เหลือครับเพราะฉะนั้นจึงต้องมาจึงต้องมาเจริญจิตตจิกขานะถึงแม้จะอยู่ในขั้นศีลก็มีการเจริญจิตจิตตจิกขานะรหรือถ้าไม่เจริญอัพยาบาทนะครับนะศีลอีกตวงในเจตสิกศีลนะครับคืออพยาบาทถ้าไม่เจริญเมตตานะก็ยากที่จะที่ที่จะรักษากายสุจริตวจีสุจริตไว้ได้นะครับ เพราะขาดเมตตาครับนะเพราะฉะนั้นผมผมรู้สึกว่าผมผมจะเอาจริงเอาจัง ก, กับมันทั้งหน่อยในเรื่องการเจริญอัภยาบาศหรือว่าเจริญเมตตานี่นะฮะโดยเฉพาะเรื่องกายโดยเฉพาะเรื่องกายวาจาและใจนะครับที่ที่มีเมตตาต่อเขาทั้งต่อหน้าและรับหลังเนี่ยนะฮะทั้งต่อหน้าและรับและรับหลังนี่นะครับโอ้เป็นเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งนะฮะในเรื่องอัภยาบาศ แล้วถามว่าเราเราเราจะเลิญพอสมควรหรื อ, อยังถ้าจเจริญไม่ไม่เพียงพอแล้วเราบอกว่าเราจเจริญวิปัสสนาเนี่ยก็ก็กจเจริญได้จริงนะครับแต่ว่ามันก็กระโผลกระเพล ก, กันทีครับผมเชื่ออย่างนั้นจริงๆครับแล้วก็ถ้าหากว่าเราไม่จเจริญศีลตัวสุดท้ายในเจตสิกศีลนะครับได้แก่ได้แก่สัมมาทิฏฐินี่นะครับอขอโทษได้แก่กรรมสกตาสัมมาทิฏฐินี่นะฮะ ตัวนี้ก็มีความสำคัญมากเลยนะครับที่จะทำให้มโนสุดจริตได้เพราะฉะนั้นศีลสามตัวหลังเนี่ยนะครับของเจตสิกศีลในการอัพยาบาทก็ดีอนัพิชาก็ดีแล้วก็สัมมาทิฏฐิก็ดีนี่นะครับก็เป็นศีลที่ทำให้เกิดมโนสุจริตได้ถามว่าเรามีอย่างถ้าไม่มีเราจะกล่าวไม่ได้เลยว่าเรามีสุดจริตสาที่บริบูรณ์ ถ้ามีบ้างก็เจริญสติปัฏฐานได้บ้างบางังปรเถอเพอปลอบใจนะครับต้องปลอบใจอย่างนั้นแล้วเป็นอย่างนั้นจริงๆนะก็มีบ้างถ้าเมื่อสุจริตสามมีบ้างนะก็เจริญสติปัฏฐานได้ได้บ้างพอสมควรถ้าสุจริตผมเชื่อว่าสุจริตสามถ้ามีมากๆอย่างอย่างสมัยพุทธกาลนะฮะท่านมีสติได้ทุกเมื่อเนี่ยผมเชื่อว่าที่เราเรียนมากับพระอาจารย์นี่พอสมควรและข้อมูลที่จะที่จะไปทำยาตับปริญญาอะไรเนี่ย พอพอทําได้ล่ะนะนะก็ยังก็พอจเจริญได้ไงครับก็พอจเจริญได้เพราะผมจึงใ ห, ผงให้ผมจึงให้ความสําคัญสุจริตสา ม, มากเลยผมจึงอยากให้ในชั้นเนี่ยนะฮะได้ลองเอาเจตสิกศีนไปคล้ายควรดีว่าท่านมีหรือยังและท่านได้ท่านได้รักษาได้คานึงถึงอัพยาบาทอนพิชาแล้วก็ กรรมสกาตาเนี่ยสามตัวนี้นี่นะครับและสามตัวนี้นี่นะครับจะสมบูรณ์ไม่ได้เลยถ้าไม่มีศีลสูงขึ้นไปอีกระดับหนึ่งได้แก่อินทรีย์สังวร อ, อินทรียาสังวร น, นะเนี่ยมันก็เป็นขั้นขั้นไปอย่างนี้ครับถ้าหากว่ามันถึงขั้นสมบูรณ์ถึงขั้นอินทรีย์สังวรได้เนี่ยนะครับผมเชื่อว่าสุจริตสามก็ก็จะเรินได้ครับมีได้ ใครที่ประพฤติอากุศลด้วยแล้วเจริญสมถาวิปัสสนาได้ด้วยของมายังแปลกใจว่าเขาทำได้ยังไงเนี่ยนะเหมือนกับว่าเมามาทั้งวันแล้วให้มานั่งร้อยเข็มเนี่ยนะมือก็สั่นตัวก็สั่นใจก็สั่นไปหมดเลยแล้วมานั่งร้อยเข็มทำงานละเอียดละเอียดแบบถ้าใครทำได้จริงนี่ก็เก่งมากแต่ว่ามีอยู่คนเดียวใครรู้ไหมเจ้าสารการนี้เนี่ยนะ มีอยู่ท่านเดียวที่เป็นพระโสดาบันนั่นนะล้วก็เมาซะส่วนใหญ่คือก็กินเหล้ามาตลอดอ น, นั่นะแต่ก็คือเป็นนักดื่มเหล้าที่เรียกอาจจะเป็นกลุ่มคอทองแดงอะแต่ตอนหลังก็เป็นพระโสดาบันนั่นนะคือศรัทธาก็ศรัทธาแต่ว่าเหล้าเลิกดื่มไม่ได้แต่ว่าตอนท้ายที่สุดท่านก็ชําระศีลของท่านปฏิบัติเป็นพระโสดาบันตอนตอนเกือบจะสิ้นพระชน ส่วนบุคคลที่เหลือหายากนักทันศีนี่นับว่าสำคัญมากถ้าหากว่าผู้ที่กุศลละศีนไม่ไม่ดีพอเนี่ยนสังเกตจากอะไรรู้ไหมว่าศีนเราไม่ค่อยดีเอาอะไรเป็นเครื่องวัดครับเอาความสบายใจเขาว่านั่นนะวิธีวัดศีนเนี่ยเพราะศีนศีนที่เป็นกุศลนำมาซึ่งอวิปปิสานถ้าเราเนึกแล้วไม่ค่อยสบายใจใจไม่ผ่องใส อึดอัดเครียดเป็นต้นเนี่ยให้รู้ว่านั่นเป็นผลของศีลวิบัติวิบัติใกล้ก็ตามวิบัติไกลก็ตามถ้าไม่สบายใจขึ้นมาให้รู้เถอะว่านั่นเป็นผลของศีลวิบัติเนี่ยนะมันก็หมั่นตรวจสอบคนที่จะตรวจสอบได้ดีเนี่ยนะก็คนนั้นจะต้องเข้าใจในข้อปฏิบัติโดยเฉพาะการเจริญสติปัฏฐานเป็นอย่างดีลองเจริญสติปัฏฐานดูถ้าเจริญนะมันไม่ค่อยไปอย่างที่จามินิตว่านะ ทีแรกก็ตั้งใจจะเอาเป็นชั่วโมงอ่ะนะพอสิบห้านาทีแล้วมันร้อนไปทั้งบ้านหมดเลยก็แสดงว่ากุศลที่เป็นฐานเนี่ยพร่องไปกนะุศลชั้นพื้นฐานเนี่ยบกพร่องไปทีนี้คำว่าบาปเนี่ยนะบาปมันให้ผลเดือดร้อนมันไม่ใช่แค่ว่าทำปั๊บเดือดร้อนปั๊บเลยมันไม่บางอย่างในทำแล้วเดือดร้อนทันทีแต่บางอย่างระยะเนิ่นนานมากจึงจึงเดือดร้อน เพราะว่าสภาพจิตของเราทั้งหลายจะว่ามันหายไปมันก็หายจะว่าไม่หายหมันก็ไม่หายคือจะว่ามันหายนี่เพราะจิตนี่มันเกิดดับใช่ไหมจิตนี่เกิดดับธรรมชาติของเขาได้วัตถุได้อารมณ์จิตก็เกิดถ้าไม่มีวัตถุไม่มีอารมณ์ไม่มีสัมปยุตธรรมจิตก็ไม่เกิดจิตนั้นๆก็ไม่เกิดแต่ว่าจิตนั้นๆพร้อมจะเกิดเนี่ยนะถ้าได้วัตถุได้อารมณ์ได้ปัจจัยเหมือนกันจิตชนิดประเภทนั้นพร้อมที่จะเกิด เช่นโทสะนี่พร้อมที่จะเกิดเลยใช่ถ้าได้วัตถุได้อารมณ์ได้ปัจจัยพร้อมโทสะเกิดทันทีถ้าได้วัตถุได้อารมณ์ได้ปัจจัยพร้อมราคะเกิดทันทีทีนี้ไอ้ชนิดเดียวกันมันก็เกิดซ้ำซ้ำซักซากไอ้ซ้ำซากเนี่ยจะเรียกว่ามันมีอยู่ก็เหมือนมีเพราะได้ปัจจัยปั้บเกิดเลยได้ปัจจัยชอบเลยได้ปัจจัยชังเลยทีนี้ในแง่ได้ปัจจัยชอบเลยชังเลยเนี่ยมันมันอุปนิสัยปัจจัยนี่มีหลายกลุ่ม แต่กลุ่มที่น่าสนใจก็คือตัวกลุ่มที่อกุศลและจิตเกิดขึ้นถึงกับล่วงทุตเจริญกรรมมาเนี่ยนะตัวนั้นเนี่ยเป็นตัวมาบันทรกุศลเป็นตัวมาตัดตอนกุศลให้เจริญกุศลได้อย่างไม่ต่อเนื่องเท่าที่สังเกตผู้ที่ศึกษาพระธรรมเนี่ยนะเราเพราะว่าเรารู้จักชีวิตเบื้องหลังของคนหลายๆคนเนี่ยเราจะรู้ว่าชีวิตตลอดสายของเข้ามาเนี่ยเขาทําอะไรมาบ้าง คนที่ทุจริตกรรมไว้เยอะๆในอดีตโดยมากเจริญกุศลแบบแห้งแรงมากนะพวกนี้จะโทรมนัดบ่อยพวกนี้จะเดือดร้อนบ่อยไม่ใช่มีคนเดียวด้วยเป็นอย่างนี้เกือบทุกคนพอเจริญกุศลเข้าไปแล้วก็เดือดร้อนวิปฏิสารทั้งหลายหละเหมือนกับว่าสมัยที่ทําอกุศลอยู่นี่นะเหมือนกับหนังมันค่อนข้างนานอะไรกระทบมามันก็รู้สึกไม่ค่อยเจ็บไม่ค่อยเดือดร้อนเท่าไหร่ แต่พอมาเจริญกุศลมากขึ้นมากขึ้นปัญหาเล็กๆน้อยๆมันใหญ่โตไปทั้หมดเลยฉนั้นอุปนิสัยที่ที่เคยสั่งสมมามันก็จะแทรกนะก็จะแทรกจะแทรกจะแทรกมันวิธีการที่จะแก้ปัญหาได้ดีที่สุดก็คือหมั่นสมาทานกุศลธรรมใหม่ๆสมาทานสุดจริตกรรมใหม่นะไอ้ที่มันพลาดมาแล้วก็จะไปทําอะไรได้เหมือนกับหลับตาเดินมาตลอดไอ้ผลของการหลับตาเดินเนี่ยจะไปหวังอะไรมากมายใช่ไหม มันถูกทางบ้างมาขนาดนี้ก่ น, นับบัดดีใ้ไปเถอะเนี่ยนะว่าเพราะหลับตาเดินตลอดเนี่ยนะพเมื่อหลับตาเดินขนาดนั้นเนี่ยมันจะไม่ไม่เดือดร้อนได้ยังไงความเดือดร้อนมันก็มีอยู่แล้วทีนี้ไอ้ที่ชําระใหม่นี่สิตรงนี้เรามีดวงตาเลยใช่ไหมดวงตาก็คือได้จักกรรมมสกตาปัญญาเป็นต้นจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำให้เราระลึกถึงอะไรควรอะไรไม่ควรเนี่ยนะ สิ่งที่เราทำคําที่เราพูดความคิดเนี่ยนะอะไรควรคิดอะไรไม่ควรคิดถ้าเราแยกแยะตรงนี้ไม่ได้ก็ปฏิบัติเพื่อบรรลุมรรคผลนี่ไม่ใช่ฐานะนะถ้าแยกส่วนนี้ไม่ได้นะแยกระหว่างทุจริตกับสุดจริตให้เป็นแล้วกันทุจริตให้สุดเท่าที่จะทำได้แล้วเพิ่มสุดจริตให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นี สมัยพุทธกาลนี้มีพระภิกสุรูปหนึ่งเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับถวายบังคมพระผู้มีพระภาคนั่งหน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งก็กราบทูลแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานทวารโลกาสขอพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงธรรมโดยโย่อแก่ข้าพระองค์ซึ่งข้าพระองค์ได้ฟังแล้วจะพึงเป็นผู้ผู้เดียวหลีกออกจากหมู่ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวเถิด ก็ไปขอกรรมฐ า, านเลยว่าจะขอจะไปเจริญกายยะวิเวกแล้วพระเจ้าค่ะจะไปขอเงียบๆกายยะวิเวกก็คือไม่มีใครอยู่ข้างหน้าไม่มีใครอยู่ข้างหลังซ้ายขวาก็ไม่มีสั่งัดไม่ได้ยินเสียงใครหลีกออกจากหมู่ไม่ประมาทหมายก็ว่าจะไม่ปล่อยให้จิตเนี่ยเป็นไปกระ บ, บาบไม่เพลิดเพลินในการมาคุณจะมุ่งเจริญกุศลให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องมีความเพียรแล้วก็บอกว่ามีใจเด็ดเดี่ยว คำว่ามีใจเด็ดเดี่ยวตรงนี้เนี่ย น, นี่ถ้าแปลาตามอัฏฐะจริงๆต้องแปลว่าขอถวายชีวิต น, นะสละชีวิตจะไม่อาไลอาวรณ์ในชีวิตมีจิตมุ่งต่อต่อการปรัสรูพระนิพพานจะเลิอกอาไลาอาวรณ์ขันห้าแล้วว่างั้นจะถวายชีวิตนี้แด่พระพุทธเจ้าจะขอเอามุ่งมุ่งแทงตลอดพระนิพพานโดยส่วนเดียว นะก็เหมือนกับว่าไปปฏิญาณเหมือนคำราม ว, ว่าขอให้พระองค์บอกเธอข้าพระองค์เอาตายเป็นเดิมพันนั่นนะเอาตายเขาว่าที่จะไปปฏิบัติตามที่พระองค์สอนพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่าดูก่อนพิสุเพราะฉะนั้นแหละเธอจงชําระเบื้องต้นแห่งกุศลธรรมให้บริสุทธิ์เสียก่อนนะคืออย่างที่ที่กล่าวอดีแล้วว่ากันแต่ว่าตอนแรกนะต้องชําระกุศลธรรมเนี่ยให้บริสุทธิ์เสียก่อนนะ เบื้องต้นแห่งกุศลธรรมสำคัญที่สุดต้องชำระให้ได้ก่อนถามว่าอะไรเล่าเป็นเบื้องต้นแห่งกุศลธรรมบอกว่าเธอจงสำรวมในปาติโมกจงถึงพร้อมด้วยอาจาระและโคจรเห็นภัยในโทษมีประมาณน้อยสมทานศึกษาในศึกขาบททั้งหลายอยู่คำว่าปาติโมกขสังบอเนี่ยเป็นคำที่อมความถึงจะตก ป, ปริสุทธิสินเฉพาะสูตรนี้อมว่า เธอต้องชำระจจะตุปาริสุทธิธ์ศีลให้ดีนะเพราะว่าคำว่าปาติโมกปาติโมกขสังวรที่มีอาจาระมีโคจร อ, อาจาระทางกายอาจาระทางวาจาอาจาระทางใจแล้วก็โคจรต้องเว้นอะโคจรและปฏิบัติในโคจรเห็นภายในโทษเล็กน้อยท่านบอกว่าเห็นอบัตทุกข์ก็ใหญ่โตเท่าปาราชิกสมทานศึกอธิศิทและศิขาให้มั่นตั้งใจให้ให อยู่ในอธิศีและศีขาให้มั่นสําหรับผู้ที่เรียนพระวินัยมาดีจะไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่ปัญหาเลยว่าสมาทานอธิศีและศีขาที่ไหนใช่ไหมเพราะว่ามนสิการอารมณ์ใดเนี่ยผู้ที่ศึกษาพระวินัยมาดีเนี่ยจะระลึกถึงพระวินัยได้เลยเห็นอะไรอย่างหนึ่งเนี่ยนึกถึงวินัยได้หมดเลยเหมือนอย่างว่ายมรักษาสีหน้าเนี่ยเห็นน้ําขวดหนึ่งนึกถึงศีหน้าได้ไหมได้ ผู้ที่รักษาศีลแปดเห็นน้ําแก้วหนึ่งเนี่ยเห็นศีลแปดได้ไหมได้เนี่ยนะก็เลยไม่ใช่ปัญหาเลยเมื่อรับอารมณ์ใดๆเนี่ยนะก็ปรารบศีลเอาศีลเข้าว่าเพราะว่าศีล น, นี่เป็นเป็นทรัพย์เหมือนอย่างว่าเมื่อมีคนมาขายของให้เนี่ยนะผู้ที่รักสงวนทรัพย์หวงแหนทรัพย์ของตัวเองเนี่ยเวลาเห็นข้าวของเนี่ยรู้ไหมว่านี่ที่มาของเสียทรัพเนี่ยนะรู้ได้ไหม คุณพนิดารู้ได้ไหมเออนี่จะเสียสตังอีกแล้วนะเนี่ยจะเสี่ยงอีกแล้วก็พอรู้ได้ใช่ไหมว่าเออวัตถุเรานั้นอะเป็นที่ตั้งแห่งการเสียทรัพย์ฉันใดผู้ที่รักษาศีลดีเนี่ยรับอารมณ์ปั๊บรู้แล้วว่าอันนี้ทุกกฎเนี่ยนะหมดตัวแน่ทุกกฎอันนี้หมดตัวแบบทุกกฎอันนี้เพิ่มปัจจิติปฏิเทศนยิยะทุกกฎทุกพาสิตธ์หรือว่าเลยจนถึงสังคาธิเสรอันนี้ประชิตเลยนะเห็นปั๊บรู้เลยว่ามันลามไปถึงไหนได้บ้าง ผู้ที่สมัครฐานตั้งมั่นในศีลขาบทเนี่ยเห็นอารมณ์ปั๊บและลึกถึงศีลและศีลขาได้อย่างนี่แหละผะอันนี้ถือว่าเป็นเบื้องต้นแห่งกุศลธรรมถ้าเป็นที่อื่นบอกเลยว่าศีลนี่มีความจําเป็นเหมือนกับแผ่นดินแผ่นดินนี่เพราะอะไรเพราะกว้างใหญ่ไพศาลใช่ไหมแผ่นดินนี่กว้างใหญ่หนึ่งหนาลึกอีกอย่างหนึ่งนนะทั้งหนาด้วยแล้วก็มั่นคงด้วยอย่างหนึ่งผลชำระศีลให้ศีลเนี่ยมั่นคงในทุกอารมณ์ให้ทุกอารมณ์ ลองพิจารณาดูว่าอารมณ์ใดบั่งเป็นที่ตั้งแห่งความทุ่มสนของเรานัะคุณมณชูคํารามให้ได้ยินบ่อยๆว่าไก่ตัวหนึ่งกับเงินล้านหนึ่งเอาเอาเอาเอาเอานได้ใช่ไหมเอาศีนได้นะคุณมณชูเขาว่าประจำแสดงว่าศีนเนี่ยคือคือมั่นคงว่าศีนข้อหนึ่งมีค่าเป็นล้านเหมนนนะนะกับไก่ตัวหนึ่งนะมันจะไก่เป็นฟาร์มที่ไหนหรอกนะพวกกันแค่ไหนนะอ๋อโถ ไม่กล้าทำเลยนะยอมไม่ได้นั่นก็ตรงนี้ก็อยู่ที่ว่าพื้นฐานว่าหนักแน่นในกุศลศีลแค่ไหนเพราะะฉนนั้ผู้ที่รักษาศีลมาเนี่ยจะไม่เห็นมหาพูดสําคัญกว่าศีลเลยเพราะว่าจริงๆอะนะมูลค่าของทรัพย์ศีลก็คืออะไรคือมหาพูดท่านจะไม่ให้ความสําคัญกับมหาพูดเกินกว่ากุศลศีลเลยเพราะเห็นโทษว่าถ้าล่วงศีลอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยนะนะมันก็ในทุกๆอารมณ์เนี่ย โดยที่เป็นผู้รู้จกักศีลเป็นอย่างดีก็สา ม, มารถที่จะรักษากุศลศีลได้ทุกขนทุกแห่งและก็ทุกอารม ณ, ษ ณ, ษ ณ, ษณ์มณสิการเมื่ออะไรก็สะท้อนกลับมาหาศีลตัวเองได้หมดเลยนั่นนะเวลาวันเดี๋ยวก็วันอุโบสถแต่นะรับอะไรนึกถึงอาหารก็อุโบสถนะอะไรให้มันสะท้อนสะท้อนศีลมาได้อย่างนี้บ้างันนึกถึงอาหารที่ไหนก็นั่นศีลของเราอยู่ตรงนั้นนะนึกถึงเครื่องแต่งตัวเมื่อไหรบอกศีลของเราก็อยู่แถวนั้นนะ ก็ระลึกได้เลยที่นอนสูงที่นอนใหญ่ข้างในยัดด้วยนุ่นสัมบีบอกเออนั่นก็ศีลของเรานึกถึงอะไรก็นั่นก็สินของเราก็สมาทานกุศลธรรมอันนี้เอาไว้ให้ดีไ ม, ม่ใช่นิรปันะ๊บโท่สะเลยเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ศีลนะเนึกปั๊บชอบเลยอันนี้ก็ไม่ใช่สินอันเนึกถึงอะไรก็ให้เห็นศีลอยู่ตรงนั้นนึกถึงชีวิตของสัตว์อื่นเนี่ยสินของเราอยู่ไหมอยู่นึกถึงทรัพย์ของผู้อื่นศินของเราก็อยู่ตรงนั้นนึกถึงบุคคลอื่น ศีลของเราก็อยู่ตรงนั้นเนะเพราะเราจะล่วงพรหมจรรย์ก็ที่บุคคลอื่นนะถ้าวัตถุที่เราจะพูดถึงนะเรารู้ว่าศีลของเราก็อยู่ตรงนั้นสุราทุกขวดทุกแก้วศีลของเราก็อยู่ตรงนั้นอาหารมื้อเย็นทั้งหมดศีลของเราก็อยู่ตรงนั้นเครื่องแต่งตัวทั้งหมดศีลของเราก็อยู่ตรงนั้นที่ถ่ายหนังทั้งหมดนะช่วงนี้ก็ไปถ่ายละครอยู่แถวนั้นศีลของเราอยู่แถวนั้น นะพวกละครพวกทีวีพวกดูหนังฟังเพลงบอกสิงของเราอยู่ตรงนั้นแหละถ้าระดับสูงขึ้นไปอีกก็จะเพิ่มเพิ่มเพิ่มไปเรื่อ ย, อยๆทุกแห่งจะเห็นว่าภาชนะสิลรองรับทั้งหมดเมื่อเห็นว่าแถวๆนั้นเนี่ยเป็นอารมณ์แห่งสีลอย่างนี้ก็จะไม่ยอมล่วงกายทุจริตและวจีทุจริตในในอารมณ์เหล่านั้นเหล่านั้นผู้ที่ไม่ล่วงทุจริตในแต่ละอารมณ์ได้เรียกว่าผู้มีศิน นะเรียกว่าผู้มีศีลผู้มีศีลอย่างนี้นี่แหละสมควรที่จะเจริญกรรมฐานได้อนเพราะนึกถึงวัตถุใดก็ไม่ล่วงศีลคนที่ศีลดีเนี่ยนะเอาอะไรเป็นเครื่องวัดหนึ่งไม่ร้อนใจอีกในหนึ่งก็บอกว่าไม่มีอภิชากับโทมนัสกับทุกอารมณ์อนเพราะเจตสิกศีลดีใช่หเจตสิกศีลดีเจตสิกศีนี่คืออนาจพิชากับอัพยาปาทะนี่หละ อนัพิชากับอัพยาปาทะดีเยี่ยมมีกําลังมากนึกถึงอะไรก็ไม่มีอภิชาเนี่ยนะบางท่านเนี่ยนะอนัพิชาเขาดีจริงๆเลยนะนึกถึงอะไรเนี่ยอยากไม่มีเลยะจะเอาเนี่ยนะไอ้คำว่าน้อมเข้ามาเอาหรืออยากได้หวังต้องการสิ่งนั้นอะ่ะไม่มีเลยนึกถึงอะไรบอกว่าเออน่าเอานะน่ามีนะน่าได้นะบางพวกแม้แต่นึกอย่างนั้นยังไม่มีเลยนึกจะเอาเนี่ย ไมรู้จเอามาทําอะไรเนี่ยโดยที่สุดอะไรก็ได้แต่ที่เขาสแสวงหาสแสวงหากันเนี่ยก็บอกให้ hey, ยังไม่เอาเลยแบบนั้นเถนอะอานาพิชาเขามีกําลังขนาดนั้นบางพวกอับพยาปาทานี่มีกําลังมากนึกถึงศัตรูก็เมตานึกถึงคนที่ประสงค์ร้ายแม้ทั้งคิดจะฆา ก, าก็ก็นึกเหมือนกับนึกถึงลูกสักคนหนึ่งก็แค่นั้นเองเพราะผู้ที่บริบูโภด้วยอานาพิชาอับพยาบาทเขามั่นคงขนาดนั้น อันถามว่าจะมีที่ใดมั่งจะทําให้เขาล่วงศีลเขาจะล่วงศีลเพราะเหตุใดเพราะบุคคลทั้งหลายที่ล่วงศีลเนี่ยเพราะเห็นแก่ทรัพย์เพราะเห็นแก่ญาติเพราะเห็นแก่ยศเพราะเห็นแก่อวัยวะเพราะเห็นแก่ๆๆชีวิตใช่ไหมเมื่อไม่อะไรเมื่อไม่ต้องการสิ่งเหล่านี้แล้วเขาจะล่วงศีลเพราะเหตุใดก็ไม่ล่วงศีลเพราะเหตุโดยประการทั้งปวง อ, อันก็ผู้ที่ส ม, มาทานกูโซลศีลเอาไว้มั่นกับทุกอารมณ์อย่างนี้นี่นะเพียงพอแล้วที่จะเจริญสติปัญญาน ถ้าไม่ไม่อย่างนั้นเนี่ยพอเจริญไปหน่อยก็เดือดร้อนพอเจริญไปได้หน่อยก็เดือดร้อนนั่นแพรองก็ตรัสต่อไปว่าดูก่อนพิสุเมื่อใดเลเธอจักสํารวมในปาติโมขสังวรถึงพร้อมด้วยอาจาระและโคจรเห็นภายในโทษมีประมาณน้อยสมท า, านศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายเมื่อนั้นเธออาศัยศีลดํารงอยู่ในศีนแล้วพึงเจริญสติประธานสี่นั่นแสติประธานสี่เป็นเชไนยะ เธอจงพิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัตพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัตพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัตพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและ โทมานัตเนี่ยนะเมื่อใดเธออาศัยศีลดํารงอยู่ในศีลแล้วเจริญสติปัฏฐานสี่เหล่านี้นะอย่างนี้เมื่อนั้นเธอพึงหวังความเจริญในกุศลธรรมได้ทีเดียวตลอดคืนหรือวันที่จักมาถึงไม่มีความเสื่อมไปเถอะถ้าเธอทําได้อย่างที่ว่านะเธอจะไม่มีเสื่อมเจริญอย่างเดียว พระภิกษุก็ชื่นชมอนุโมทนาพระภาสิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็ลุกจากอาสนะถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้ากระทาประทักศิลแล้วหลีกไปภิกษุนั้นเป็นผู้ผู้เดียวหลีกจากมูไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวเกี่ยว่าสละกายและชีวิตมุ่งต่อพระนิพพานไม่นานนักก็กระทำให้แจ้งซึ่งที่สุดแห่งพรหมจรรย์อันยอดเยี่ยมที่กุลบุตรทั้งหลาย ผู้ออกบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่รู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีก็แลภิกษุนั้นเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในจํานวนพระอรหันต์ทั้งหลายะนะกรรมาฐานนี่ย่อๆเวลาวันเอาไปเจริญดูนะอาจารย์ก็เ ล, ลเย <c oughs> ติดเล่มหนึ่งเไม่ติดเนื้อเลยอู้หน้าหนึ่งร้อยสี่สิบเอ็นะ เ ล, เล่มที่มีในมือคุณนั่นแหละ <c oughs> อีกสูตรหนึ่งเนี่ยนะแนวเดียวกันแต่ว่าอัถสาระเหมือนกันต่างกันโดยพยัญชนะเนี่ยนะคือชื่อทุจริตสูตรครั้งนั้นพ่สูรรูปหนึ่งเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับเหมือนกัน ก็ไปขอกรรมฐานเหมือนกันว่าขอประทานพระวโรกาสขอพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงธรรมะโดยย่อแก่ข้าพระองค์ซึ่งข้าพระองค์ได้ฟังแล้วจะพึงเป็นผู้ผู้เดียวหลีกจากหมู่ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดียวเธอเนี่นะจะปิดเทอมแล้วผู้การจะหลีกเล่นเหมือนกันเหมือนกันมก็หลีกจากหมู่ดู้วยจะเจริญกรรมฐานเจริญแค่ไหนไม่ทราบ วางศูนย์เมื่อกี้นี้แล้วนะฮะทำให้มองได้สองอย่างนะฮะอย่างแรกคือว่าผู้ที่อยู่ใน อ, อยู่ในเพศของขอ ง, ของพระภิกษุนี่นะฮะศีลคือพระวินัยทั้งหลายที่พระพุทธภาคทรงบัญญัติขึ้นนั้นเนี่ยครอบคลุมหมดแล้วทั้งเจตนาศีลทั้งเจตสิกศีลทั้งสังวรศีลก็พุ่หมดแล้วเพราะพระองค์ บัญญัติมาเพื่อผู้ที่มีอาชีพทางนี้โดยเฉพาะเมืกีนนะให้ปฏิบัติได้จึงบจึงบัญญัติที่ค่อนข้างที่จะเข้มข้นนักหน่อยมากกว่าคารวาสนี่น ะ, ะถ้าปฏิบัติตามปาติโมขัสังวรศีลได้นี่ก็หมายความว่ามีหมดแล้วเจตนาทั้งแต่จาริศศีลนะวาลิตศีลเจตนาศีล เ, เจตสิกศีลเนี่ยถึงถึงสังวรศีลก็มีหมดแล้วในจตุ ป, ปาริสศศีลนี่นะฮะถ้าปฏิบัติตามนั้นผมก็เชื่อว่ า, ามีฐาน มีอุปาทานณะเพียงพอทีเดียวนะทีจะจะ่จะเจริญซึ่งในส่วนนี้ก็ก็กล่าวไว้ว่าจเจริญสิบปธานและเมื่อฟังอย่างนี้แล้วก็แสดงว่าคล้ายคเข้าลักษณะหาระอย่างใดอย่างหนึ่งนะถ้าพูดถึงอย่างนี้แล้วเนี่ยพระองค์ได้กล่าวแล้วถึงสมาถะาด้วยเข้าใจอย่างนั้น